ขอความสุขความเจริญจะงมีเดททานสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องปตัต ก, กรรมมาสูตรคือสูตรที่ว่าโดยธรรมะสี่ข้อก็มีอยู่หลายชุดด้วยกันมีใจความโดยสรุปว่าเมือ่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวันในกรุงสาวัตถี วันหนึ่งเมื่ออนาทบินธิกะเศรษฐีได้เข้าเฝ้าภรรมีพระเจ้า ก, ก็ทรงแสดงธรรมะที่เป็นที่ปรารถนาักใคร่พอใจของคนทั้งหลายในโลกให้ท่านฟังไว้สี่ประการหลัจากนั้นก็จะแสดงไปหลายข้อคือสีข้อด้วยกันแต่ว่าหลายชุด ท่านเคยบอกไว้แล้วว่าธนานาทบินิกาเศรษฐีนั้นเป็นคนเคารพเทิดทูนทนุถนอมพระพุทธเจ้ามากไม่กล้ารบกวนแม้จะถามคําถามที่ตนคงใจสงสัยโดยเห็นว่าพระเจ้านั้นเป็นกรรษัตริย์ที่ละเอียดอ่อนเป็นพระพุทธเจ้าที่ละเอียดอ่อนการที่พระเจ้าต้องมาตอบคําถามให้แก่ท่านจะทําให้พระองค์ลำบาก พระเจ้ารเห็นว่าทานนาตบินติกาเศรษฐีนั้นรักษาพระองค์ในเรื่องที่ไม่ควรแก่การรักษาเพราะสถานะของพระเจ้าก็เกิดขึ้นมาเพื่อทํางานอนุเคราะห์ต่อโลกของการไม่ถามปหัหาที่จริงก็เป็นการปิดโอกาสการอ น, นุเคราะห์โลกของพระพุทธเจ้าแตนั้นทุกครั้งที่ท่นนาตบินติกาเศรษฐีเข้าเฝ้าพระเจ้าจะต้องแสดงประธรรมเทศนาทุกครั้งไป สั้นบางยาวบางแต่ข้อที่น่าสังเกตก็คือธรรมะที่นำมาแสดงจะไม่ค่อยสูงยังมากจะแค่สมถกรรมฐานจะไม่พูดถึงระดับวิปัสนากรรมฐานเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานะอะไรตาเนะีจะไม่มีสอนสมัครฐานนาตบินกเกษตรจีแล้วเคยพบในพระไตรปิฎกก็พบแห่งเดียวนะฮะที่แสดงธรรมะพิสดาร ซึ่งต่อธานานาตะวินในกาเศษดีแต่ว่าประสารบุธแสดงความเทศเศษก็ตายเลยเธรรมะสี่ชุดแรกที่ทรงแสดงว่าเป็นที่รักใคร่ปรารถนาต้องการของคนทั้งหลายแต่ว่าจริงแล้วมันเกิดขึ้นได้ยากประการแรกก็คือทุกชีวิตนี่ปรารถนาที่จะให้ตนได้ รับลาบผลประโยชน์ต่างๆพูดง่ายว่าทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นแก่ตนแก่พี่น้องของตนแก่พวกพู้ของตนในทางที่ชอบทำนั้นก็คือการปรารถนาความเจริญมั่งคั่งในด้านทรัพย์สมบัติู้ส ม, มนปัจจุบันก็มีฐานะมั่นคงทางเศรษฐกิจพอได้ตรงนี้แล้วปรากฏว่ายังไม่พอหรอก คนก็จะมีความปรารถนาต้องการที่จะให้ตนเองพวกพ้องเพื่อนฝูงวงศาคณศ า, ศาญาติเจริญ้วยยศซึ่งก็หมายความว่าเจริญด้วยบริวารยศคือมีพวกพวกเพื่อนฝูงข้าวารสมาคมมากมีอิสรยศมีตำแหน่งสถานะใหญ่ๆและมีเกียรติยศชื่อเสียงคุณธรรมความดี แล้วก็ปรารถนาให้เกิดมาในทางที่ชอบจิ่งนว่าเป็นปนัญหาภูเขาเป็นปนัญหาใหญ่ทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเกีดยรติยศจึงเกิดขึ้นโดยการประพฤติการกระทำในสิ่งดีงามทันแต่กระแสโลกกระแสสังคมนั้นยอมรับรับถือความดีของคนอื่นได้ยาก เรต้องทวนกระแสกิเลสไปยะจิตใจของบุคคลเรานั้นไหลอยู่สู่กระแสของกิเลสมีความริษยามีความเบียดเบียนอย่างที่เคยบอกไว้เพราะันเวลาพูดถึงความชั่วคนอื่น่จะรับได้ง่ายจะสนใจจะพอใจที่จะฟังที่จะพูดและจะยอมรับไปเลยคือจริงไม่จริงไม่รู้แต่ถ้าความดีแล้วจะรับได้ยาก เพราะคนเราจึงได้รับเกียรติยศโดยได้โดยยากส่วนบริวารยศกิสยศนั้นที่จริงก็ยากแต่ว่าง่ายกว่าเกียรติยศเพราะอะไรเพราะว่าอิสยศบางทีก็เป็นลำดับขั้นตอนของการทำงานบางทีก็ใช้อานาจเงินอานาจบริวารชงชิงเอา วิวานเองบางทีก็จ้างวานเราได้หรือให้เงินจ้างเราได้แต่กิยศ น, นั้นจะเกิดขึ้นได้อยางประการต่อไปพอได้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ที่จริงก็น่าน่าจะพอนะยังไม่พอหรอกเพราะว่าได้ทั้งลาบทั้งยศคนก็ต้องการอายุยืนก็ปรารถนาที่จะตัวเองมีอายุยืน โดยไม่มีโรคมีภัยนะฮะจริงๆก็ค่อนข้างขัดแย้งกันกระแสโลกะระเสสังคมเป็นเช่นนี้เราเห็นว่าตำนานโบราณเยอะเลยที่แสวงหายาอายุวัฒนะกันในการประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อไดอายุวัฒนะแต่ในปัจจุบันในสูตรยาอายุวัฒนะก็ยังเผยแพร่กนันอยู่ซึ่งเอาจริงก็ไม่รู้จะเอาไปทาอะไรเหมือนกัน แต่ว่าธรรมชาติของคนและเป็นเช่นั้นคือต้องการมีอายุยืนโดยไม่ถามมายืนไปจริงๆแล้วเอาไปทําอะไรเนี่ยคือถ้าอายุยืนโดยไม่แก่มันก็ขัดแย้งกับสภาวธรรมแต่พอแก่ด้วยก็ไม่รู้จะไปทําอะไรร่างกายที่แก่ๆร่างกายจะชำรุดสุสมแต่ว่าคนเรามันก็มีโมหะบาง ท, ทีก็หลงโลกติดโลก เขก็ปรารถนาอย่างนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่วันเป็นความขัดแย้งกันก็ได้สามอย่า ง, ง น, นะฮะโราเจนว่าก็แนวยุบโนสุขังฝรังแนวพรน น, นยัตุรพิตรกษรนันสีประการความปรารถนาประการตกไปก็คือปรารถนาชีวิตหลังตายแล้วพอขอตายไปแล้วก็ให้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์มีความสุขในสวงสวรรค์ ซึงถือเป็นเรื่องแปลกนะฮะโดยพื้นฐานเท่าที่พบเนี่ยไม่ค่อยพูดเรื่องเรื่องนิพพานเรื่องพรหมแต่จะพูดเรื่องสวรรค์นี่มาเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์นั้นยังอยู่ในกามาภพนะฮะผลความคิดแบบคนเรามั น, มนเกี่ยวเกาะด้วยกาลมาภพคือต้องการความสุขในด้านวัตถุการมเพราะความสุขระดับฌานระดับนิพพานระดับ อะไรนี่มันมันมันม น, นึกไม่เคยออกอะว่าสุขยังไงเพราะงั้นเวลาอธิบายนิพานเองอธิบายเป็นภพเป็นชาติเพลอเนิพานก็มีความสุขในทางเพศด้วยเป็นปัญญาบารมีปัญญาภักควตีอะไรตอะไรคือแสดงอย่างอธิบายไปไ ป, ไปยุ่งยุ่งอยู่หมายความว่าความคิดในจากพื้นฐานการมาภพ จิตใจก็อยู่ที่กาเม า, าจรภูมยังมีตันหามีราคะมีกิเลสอยู่มันก็คิดไปคิดมาอย่างเสียดายพวกนี้อยู่เพราะงั้นจึงไม่ค่อยปรารถนาภูมิโลกปรารถนาแค่สวรรค์ตายไปแล้วบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แสดงว่ามีมีความเกี่ยวเกาะอยู่ในภพแยะตรงนี้ในพระสูตรนี้ทรงแสดงว่าเป็นสิ่งที่คนใคร่ปรารถนาปอใจต้องการ แต่ว่าจริงๆแล้วส่งแสดงไว้ในที่อื่นว่าเป็นความปรารถนาที่สำเร็จได้ยากเพราะคนเราเกิดมาชาติหนึ่งมีครบสอย่างนนะคความว่ามีสมบูรณ์โดยพว ก, กสมบัติมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและเจริญด้วยเกิยศชื่อเสียงบริษัทปริวาลอำนาจราชศัก ต, ต่างๆแล้วก็มีอายุยืนโดยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนสามอย่างนี้สาอย่างนี้ก็ยุ่งแล็ยากครับ ตายไปแล้วไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์เป็นเงื่อนไขของสภาพจิตซึ่งมีความสลับซับซ้อนอยู่ในตัวสภาพจิตถึงจะหาว่ากระแสของกุศลไม่ดีพอจริงๆมันก็ยากเพราะนจึง ส, งสอนให้เพิ่มภูมิกุศลเพื่อให้มันเกิดมั่นคงขึ้นในจุดนี้คำสอนจึงมีแนวสนองตอบตรงนี้นะฮะตอบในระดับโลกๆเนี่ยคาสอนเป็นธมากจะตอบสนองในจุดนี้ ด้วยคนได้รับความสุขและเสร็จแล้วพอจิตเขาได้สัมผัสตรงนี้และจะเสนอสิ่งที่ดีกว่านั้นต่อไปจะแนวที่เคยยกตัวอย่างมาทรงแสดงแนวของนุบุปิกถาพูดถึงสวรรค์เหมือนกันเนี่ยนะฮะพูดถึงสวรรค์เหมือนกันพอเสร็จแล้วพอชื่นชมสวรรค์พักหนึ่งก็จะให้ดูสวรรค์เองมก็มีโทษมันเกี่ยวกาะด้วยภยัยด้วยโทษโด้วยอันตรายด้วยความทุกข์สารพัดอย่าง ยังมุนบทในสังสารวัตรเพื่อดึงจิตให้มองเห็นว่าเพราะวัาตุกามทั้งหลายนั้นที่จริงก็มีโทษเรียกวาการมมชินพเพื่อดูโทษของกาบเสร็จแล้วก็จะดึงจิตให้สํารอกความกําหนักความพอใจในสิ่งดังนั้นออกไปแต่ตรงนี้เห็นในชัดว่าแสดงในชีวิตปัจจุบันหมายความว่าระดับของโลกพอ แสดงแก่ชาวบ้านนะธานานาตบินิกาเศรษฐีพูดตอนเดียวนะและประการต่อไปก็ทรงแสดงว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีฐานหลักฐานทางใจอีกสี่ข้อคือทั้งหมดจะเป็น 4-4-4 นะว่าไปสีนั่นคืออะไรก็คือว่าความสมบูรณ์ด้วยศรัทธา ทรงใช้คำว่าสัมปทานะครับลว่าสมบูรณ์ด้วยศรัทธาต่อมาชุดนี้เราเจอมาเยอะในพระสูตรปรากฏมากมากในเจตุการนิบาตังคุตนิกายเรียกว่าครึ่งเล่มนะฮะอีธรรมะชุดนี้สีข่ข้อแสดงไว้อเนกโดยอนเนกกายปัญญาต่างต่างๆประการแรกทรงใช้คำว่าศรัทธ า, าสัมปท า, าก็สมบูรณ์ด้วยศรัทธาเป็นความเชื่อมั่นในพระพุทธคุณ แล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของกรรมนะตัวนี้แหวงแหวงเยอะเลยเรื่องเรื่องกฎของกรรมเนะี่ยเพราะถ้าเรายังจับกฎของกรรมไม่ได้เนี่ยมันมันมันจะยุ่งยากมากเราจะเห็น ว, ว่าที่เราสวดที่อภินาปจัจเวขณะที่ท่านทั้งหลายสวดไปทุกทุกวันเสาร์นั่นนะเรามาลองคิดดูข้อข้อเดียวนะฮะกรมมัตสกุมหิคนเราภิกรุเป็นของหกตน เราจับไปได้คำเดียวสดแสดงว่าแต่และชีวิตนั้นรับผิดชอบการกระทาของตัวเองรับผิดชอบในตัวความรู้สึกนึกคิดรับผิดชอบในตัวการกระทารับผิดชอบในตัวผลก็มีหน้าที่ตรวจสอบที่ตัวเองแก้ไขที่ตัวเองปรับปรุงที่ตัวเองแต่เวลาพกกรรมของคนอื่นเนี่ยนะ กับคนอื่นท่านท่านาสังเกต น, นะฮะว่าถ้าก็ทำความดีนเรามีมุติตาถ้าทำความชั่วนเราไม่จะทำไงอุเบกขาคือวางเฉยแต่ในขณะเดียวกันจากมุติตาเนี่ยนะฮะจากมุติตาทำให้เราชื่นชมในความดีเราน้อมความดีมาหาเราเออท่านผนนี้ทำความดีปรตัวความสาเร็จยางไงเราก็น้อมความดีมาหาเราตัวแบบลอกเรียนประวัติคนดีทั้งหลายปฏิ ป, ปทาคนดีทั้งหลาย แต่เราต้องมุติตาในตัวคนนะนะถ้าเราริษยาในตัวคนเราก็ไม่ต้องการทําตามเหตุแม้ว่าความคิดความอ่านของคนอะไรเยอะแยะที่ดีๆพอดีเราริษยาคนนี้เราเลยไม่เอาเลยทั้งๆที่ว่าความคิดนั้นเป็นสิ่งดีงามแต่เราไม่ชอบคนเราก็ไม่ยอมปฏิบัติตามความคิดของเขาหรือคาพูดของเขากในกรณีคำชั่วก็ทรงสอนในแนวของอุเบกขาคือทําใจเป็นกลาง เพราะอเพราะถ้าเราทำชั่วตามเขาเราก็ผิดหรือเราไปซ้าเติมเขาเราก็ผิดแต่ถ้าเราเฉยๆเราก็สงบแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองเขาเป็นบทเรียนและตั้งใจสำรวจระวังไม่กระทำเช่นนั้นเราก็ได้รับประโยชน์เพราะจริงๆแล้วทุกคนรับผิดชอบในส่วนตัวเขาเอง มายความเช่นว่านายกทาชั่วเราจะไปด่าว่ายังไงก็ไม่ได้เพิ่มความชั่วนายกนะฮะมันเพิ่มความชั่วให้เรานายกก็ชั่วเท่านั้นน่ยชั่วเท่าแต่ใคชั่วหรือแม้แต่เราไปมุทิตาต่อความดีของคนอื่นไอคนอื่นก็ไม่ได้เพิ่มความดีแต่มันเพิ่มความดีที่ตัวเราเห็นไหมว่าเราอาศัยความดีเพิ่มความดีอาศัยความชั่วเพิ่มความดี อย่างน้อยที่สุดก็ไม่เพิ่มชื่อนั่นคือแนวแนวความเชื่อในกฎของกรรมมันต้องออกมาเป็นรูปความคิดเป็นรูปพฤติกรรมได้อย่างนั้นซึงเราก็จริงในเรื่องใหญ่มากๆสังคมนั้นทํายากเป็นธรรมะที่ค่อนข้างปฏิบัติยากเพราะเราจึงมีปัญหาเรื่องกรรมเราเป็นวิถีชีวิตที่มีประสบปัญหาด้วยกรรมของตัวเองบางทีก็เป็นการหาเรื่องให้เดือดร้อนแก่ตัวเอง แล้วก็เชื่อตัวตัวผลเชื่อการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของนตนไอ้ันนี้ก็คือคือสูตรทุกเทียนะฮะเราก็เจอสูตรอย่างนี้ตึกทีแต่อย่าลืมว่าประเด็นสําคัญนั้นมาจากความเชื่อในพระคุณของพระพุทธเจ้าจะปหักตรงนี้ได้เราก็เดินได้นะฮะไม่งอนเงินครรนแครนในศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราก็เดินไปได้ประการที่สองคือสีและสมปทาตรงนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นผลกรรมชัดเจน มายความว่าผลศีลเนี่ยที่ส่งแสดงวิสีเลขสุกติยันติศีเลทะโพกสัมปทาศีเลระดิพุติยันติบุคคลจะได้สุกติเพราะศีลสมบูรณ์เพราะกุสมบัติก็เพราะศีลมันรุ่งมโหสถที่ผานไเพราะศีลเนี่ยเราเชื่อแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติในศีลจนมีความสมบูรณ์ในศีลความสมบูรณ์ในศีลที่จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวข้อนะครับ มันอยู่ที่สภาพสภาพของปิดที่มีความสะอาดมีความสงบแล้วก็วินิจฉัยการกระทาใ น, นแต่ละขณะให้สอนรับกัศีลหมายความการเคลื่อนไหวนั้นเป็นศีลไปโดยอันตนมันซึ่งเรารเราไม่ได้นับข้อหรอกถ้านับข้อได้จริงเยอะ จะบรงกอบไปพิพายกันที่รัฐสภาเรื่องสิทธิสตรีในพระพุทธศาสนาก็พูดถึงเรื่องไม่ชี้อะไรต่างคือเราดิ้นรนจะจะเป็นพิกษุนีทำอะไรก็ไม่รู้คือปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่รูปแบบปัญหาสำคัญอยู่ที่สภาพจิตหรือการบวชเนี่ยคำนักบวชเนี่ยที่จริงแล้วก็คือเว้นบาป เป็นบาปคืออะไรก็คือไม่เบียดเบียนนะฮะไม่เบียเบียนอะไรไม่เบียดเบียนชีวิตไม่เบียดเบียนทรัพย์สินไม่เบียดเบียนคู่ครองกันไม่เบียนคนอื่นนะก า, า, ายวจารใจก็จบแล้วท่านจึงเรียกผู้บวชว่าสันตะกายโยกายสงบสันตะวิาจวาวาจาสงบสันตะมโนมันมาจากใจที่สงบเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวที่จริงไม่ได้เกี่ยวอะไร มันเพียงแต่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ทีอเขาควบคุมก็ดูแลกันในหมู่ในคณะเขาท่านั้นเองแต่โดยสาระัตะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่สงบบา ป, งปสงบอกุศลนี่เป็นถึงพระนาคามีก็เป็นอยู่ชาวบ้านไนงะอยู่ชาวบ้านอยู่ครอบครองเรือนธรรมดาแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวแบบชาวบ้านนะนะบางควั้ก็ทั้งๆท่านก็อยู่บ้านได้แบบคารวะสมุนี ทีนี้ทําทํำยังไงจึงจะเกิดตรงนั้นล่ะถ้าก็สัญญาสมาสัญญาก็คือศีลเห็นไหมสัญญมาก็คือศีลที่ว่าเนี่ยสีตสำมัฏานเนี่ยสํารวมระวังจนถึงกับมีการฝึกปรือตัวเองพัฒนาตัวเองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยท่านบอกว่าเบรกตัวเองได้หยุดตัวเองได้นะหยุดตัวเองได้ประเด็นสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าคนเราเหมาะมักจะมองไปที่หยุดคนอื่น แต่แทนที่จะคิดหยุดตัวเองไม่ได้คิดหุดคิดจะหยุดคนอื่ น, อ ย, งงนอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราก็ทําบาปมากกว่าเขาเสกโดยต้องการให้เขาหยุดํานองใกล้ๆ ก, ก, กับคนคุยกันเราก็ตะโกนให้เขาสงบเพราะก็ลดเสียงนั้นเสียงเราดังกว่าเขาเสินั้นก็คือคือคือคือเรื่องของความสับสนมุ่งแต่จะแก้ปัญหาคนอื่น ศาาพุทไม่ไม่ไม่ไม่มีหน้าที่แก้ปัญหาคนอื่นศาสนาพุมีหน้าที่แก้ปัญหาตัวเองคนอื่นเราเพียงแต่บอกกล่าวให้เขาเท่านั้นเราไม่น่าไม่มีหน้าที่ไปจับจัดซ้ายขวาหันกลับหลังหันให้เขาไม่งั้นก็กลายเป็นเป็นเปรตโง่หรือฉลาดอย่างที่เคยเล่าให้ฟังที่จัดคนนอนมือาลาดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะมันเป็นไปไม่ได้อยู เันตรงนี้ก็คืออยู่ที่ศีลศีลที่เป็นปกติใครปกติกับคนมีศีลนั่นแหละปกติไม่ไม่ได้เกี่ยวคนอื่นหมายความมาแต่ละคนอย่างท่านนั่งหลายอยู่ในที่นี้รวมทั้งอาตมาด้วยแต่ละคนก็คุมตัวเองไม่ไม่ม่ไม่มีใครไปคุมใครแล้วไม่ใช่หน้าที่ของใครจะไปคุมใครเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกศีลท่านสมาทานไปแล้วท่านก็รักษาเองไม่มีใครตามไปคุมเลยนะฮะ ผิดทูกไม่รู้รับผิดชอบเองแล้วต้องไม่ต้องมีใครโจดดูคือถ้าผิดศีลใครโจดหรือไม่โจดเราก็ผิดถ้าเราไม่ผิดใครโจดหรือไม่โจดเราก็ไม่ผิดคือไม่ได้อยู่ที่ใครโจดหรือไม่โจดแต่อยู่ที่เราผิดหรือไม่ผิดทีนี้ผิดหรือไม่ผิดใครรู้ว่าเรารู้เรารู้ด้วยตัวของเราดังนั้นการรักษาศีลก็คือคุมคุมไม่เกิดอาการปกติ ต่อไปก็ถืจากฆ่ะสมถตสมบูรณ์จาคะความเสียสละตรงนี้ที่จริงที่จริงพูดไม่สูงนะฮะจากะตรงนี้ไม่ได้พูดสูงพูดในแนวถึงน้ำใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนทั้งหลายสำนวนบาลีท่านาช้คำว่ามีฝา่ามืออันชุ่มยังนึกถึงการตักบาตรภาคอีสาน ฝ่ามืออันชุ่มคือภฟศาสตร์เนี่ยก็ตากบาตด้วยข้เนียวนะก็ล้างมือแล้วก็หยิบข้าเนียวมนปั่นปั น, ป น, ปนใส่ฝ่ามือชุ่มอยู่ตลอดแล้วนวนอย่างเงี้ยห ม, มายความว่าก็แบบอินเดียอินเดียเขาก็หยิบมือหยิบหยิบของด้วยมือแล้วก็ตั้มแจกแจกทานในคนทั้งหลายพอข้าวมันติดมือก็ล้างแล้วนก็หยิบเพราะงั้นฝ่ามือมันก็ชุ่มตลอดก็เรียมีฝ่ามืออันชุม่ม พร้อมที่จะเสียสละสงเคราะห์นเคราะห์แก่บุคลคลอื่นเกื้อกูลแก่บุคลคลอื่นแล้วประการที่สามคือปัญญาธรรมฐานปัญญาก็ตรงตรงนี้ก็เหมือนกัน น, นะฮะไม่ได้พูดระดับพิเศษอะไรพี่พูดแต่ระดับว่ารู้จักรู้จัจจจากการจาแนกแบ่งแยก อ, อ, อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเสื่อมอะไรเจริญอะไรสุขอะไรทุกข์อะไรเป็นตัวเหตุอะไรเป็นตัวผลแล้วก็แยกให้ได้ แล้วก็พยายามปฏิบัติควบคุมตัวเองใช้ปัญญาในการดํารงชีวิตได้นี่ก็เป็นเป็นอีกสี่ข้อนะฮะอีกสี่ข้อจากนั้นต่อไปก็ทรงตุศนว่าคือหัดคือหัดที่อยู่กับพรมเรืนอนญาว่าเนี่ยฮะเจ้า บ, บ้านเนี่ยใช้ปัญญาที่ว่าตะกี้เนี่ยฮะใช้ปัญญาเนี่ยต่อมาก็มาดูจิตตัวเอง ดูจิตตัวเองให้เห็นโทษทวงยกโทษโทษหลักโทษถึงเขาเรียกอภิชาวิสมะโลภเป็นความละโมบโลภมากจนตะกะตะกามอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้น้นสํานวนบาลีว่าโลภไม่สม่ำเสมออุตรูดไปหมดเลยอยากได้หมดเลยมึนก็ข้าไปห้างสรรพสินค้าตาสายไม่หยุดซื้อแล้วซื้ออีกหยิบแล้วหยิบีกมั่วไปหมดเลยอันนี้ก็ลักษณะในความโลภความโลภอภิชาวิสมะโลภ จะเป็นความรู้สึกนะฮะไม่ได้พูดระดับที่ออกมาข้างนอกเพราะระดับข้างนอกท่านพูดเรื่องศีลไปพูดเรื่องศีลไว้แล้วนะฮะอันนี้พูดระดับจิตหมายความว่าความไม่สงบที่เกิดขึ้นภายในจิตมันเกิดขึ้นมาจากอภิชาวิสมารโลภะคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากได้สิ่งโน้นบางทีก็คิดตัวเองบางทีก็เพื่อนกระตุ้นใน้คิดเกิดความอยากขึ้นมา แล้วก็ใจไม่สงบด้วยความอยากตอนนั้นแล้วก็มองว่าไอ้นี่มันมันมันเป็นอุปกเกลต์คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจิตจะขุนจิตจะเศร้าหมองจิตจะพลั่นจิตจะดิ้นไปในอารมณ์ั้างายจนบางทีเนี่ยเรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับก็แสดงว่าความรู้สึกตัว น, นี้แรง ที่จริงลักษณะของเขาพูดกลามาตัญหาเพราะวะ่าตัญหานั่นแหละพวกโลกพวกอะไรเนี่ยพวกราคะเดี๋ยวตรงนี้สงช์ใช้คมอภิสาวิสัมลภัสจากนั้นก็ทรงสอนให้มองโทษของนิวรนอันนี้ก็ธรรมชาตินะเราพูดเรื่องสมถกรรมฐานล้วเจอนิวรณนตลอดก็ไม่รู้จะว่ายัางไงมันมีเท่านั้นนี่นะมันมีเท่านั้นแหละก็ทรงสอนให้มองโพษ ของกามฉันคือตริติจิต ท, ที่เหนียวนึกตรึกนึกถึงสิ่งที่ตนใคร่ด้วยอาํานาจของความใคร่ความปรารถนาความพอใจแล้ในสุดก็ไขความปรารถนาก็แนวของอภิชาติว่าแล้วก็มองเห็นททษของพยาบาทซึ่งอาการของพยาบาทเนี่ยท่านท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าผู้กิเลสเนี่ยมันมันมันมันอวิชามันเยอะกิเลสทั้งหลายในวิชามันเยอะยังความพยาบาทเนี่ย อภิชาเยอะเลยกิคือหมายความว่าความร้าเหตุผลความไม่รู้เหตุรู้ผลในยมันเนี่ยความโกรธเกิดจากความโกรธความโกรธเกิดจากความรักเห็นไหมความโกรธเกิดจากความโกรธก็มีความโกรธจากความรักก็มีความรักเกิดจากความโกรธก็มีความรักเกิดจากความความรักก็มีมัวๆยังไงเจ้าคนเนี่ย แลลักษณะของลามปามเชื่อเสมอว่ า, าความโกรธที่เกิดจากความโกรธสํานวนนี้ไปตรงกับสํานวนจีนที่เขาว่าคนไม่ผิดผิดที่มีหยกติดตัวสํานวนเดียวกัน น, นะก น, น, นี่ยนะฮะมาเอาคนคนคนเนี้ยที่มีปัญหาที่ถูกไล่ล่าแล้วแกมีหยกอยู่ในมือแต่นั้นเองเด็ก็ทิ้งหยกคนก็จบท่านหลายนึกออกไหมแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทรงเงินอีกาแย่งชิ้นเนื้อ แย่งชิ้นเนื้อกันสามตัวเนะี่ยตัวแรกโฉบเนื้อได้ตัวที่สองก็พาข้าไปแย่งตัวทสามเหมือนข้ากต่ข้าไปแย่งต่อสู้กันทําไปทํามาชิ้นเนื้อหล่นชิ้นเนื้อหล่นตกไปข้างล่างอิก้าแยกกันหมดสามตัวแยกกันหมดเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรให้แย่งที่ถูกดีเนะี่ยเพราะต้องการได้ชิ้นเนื้อบัองการแย่งชิ้นเนื้อตัเนเดงเพราะเนื้อไม่ได้อยู่ตรงนั้นแกก็ไม่แย่งลงไปข้างล่างประกวดหมางับเอาชิ้นเนื้อ ตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาแย่งตัวที่สามันยังฟาดกันอุตลุดเสร็จรแล้วบาดเจ็บกันพอสมควรชิ้เนื้อก็แหลกเราลอแลงแระลมกันไปแล้วก็แยกยากันไปนี่คือภาพที่พระเจ้าทรงเห็นและคิดออกบวทตรงนี้คิดตัวบทจากตัวเนี้ยไอเ น, นี้ยก็โลภมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะแนวแนวที่ว่าก็คืออย่างนั้นหมายความว่าเป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธ เห็นคนอื่นมีในสิ่งตัวเองไม่มีก็เกิดไม่พอใจแล้วไม่ไม่พอใจเขาก็ต้องการประทุษร้ายเขาเพื่ออะไรเพื่อต้องการสิ่งที่เราต้องการอยากได้นั้นๆแสดงมันเริ่มจากความโลภหรือบางทีคนคนเนี้ที่จริงก็ดีกับเราอะเพื่อนเราญาตเรามิตรเราแต่พอดีมันเป็นดีกับคนที่เราไม่ชอบ เป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธความโกรธมันซ้อนความโกรธหรือบางทีเป็นความโกรธที่เกิดจากความรักเห็นว่าคนคนนี้เราเรารักเขาแล้วมีคนคนหนึ่งไปเป็นศัตรูกับคนที่เรารักเราเกิดโกรธเกิดโกรธคนนี้เพราะไปเป็นศัตรูคนที่เรารักแล้วก็ยุ่งยุงยุ่ ง, งเราเห็นว่าอาการของอวิชชามันเยอะ ดังนั้นพระเจ้าก็สอนให้มันดูดูที่จิตเราว่าเรามีไหมตรงเนี้ยมีกา ร, รมันฉันไหมมีพยาบาทไหมอิถธินา ม, มิทาคืคอการง่วงเหงาหัานอนซึ่งซึงซงมง่ายเหงาไหมมีอุตจกักอุจจารความพุ่งสร้รางรําคาญบุญงิดมีวิจิกิจชาคือความเครือนแคลงสงสัยนี่เรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่ความเครือนแคงสงสัยเนี่ยเราเร า, เราดู ง, ง่ายๆเลยนะฮะยังว่ามีข่าวคร า, าวที่เกี่ยวกับพระไม่ค่อยดีเนะี่ย เห็นในชาติว่าคนส่วนหนึ่งเชื่อคนตักบาทลดตักบาทลดเลยบินธบาทดูดูออกเลยคนตักบาทลดลงไปนั้นแสดงว่าศรัทธาเริ่มแกร่งมีคนส่วนหนึ่งสงสัยหยุดไว้หยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนแล้วข่าวข่าวที่ไหนก็ไม่รู้บางทีเกิดแถวแถวนาราทิวาแถวเชียงใหม่นะฮะคนกรุงเทพก็ฉะลอกันตักบาทไปด้วยไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันนั่นคือแสดงอะไรแสดงเห็นว่าอิทธิพลของวิจิตจฉาสนิสูง แต่ความเชื่อในกฎของกรรมนี่ต่ำเห็นไหมความเชื่อในกฎของกรรมตม่ํามันคนละเรื่องไม่ได้เกียกเยเก่ยวอะไรกันเลยะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเพราะเรารับผิดชอบเฉพาะกรรมเราเท่านั้นเองเราไม่ได้ไม่มีหน้าที่ไปรับผิดชอบกรรมของใครคนเราตา่างคนตา่างมาสู่โลกนี้ด้วยกรรมของตัวอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของตัวท่านทําผิดท่านก็ติดคุกคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องไปร่วมติดคุกด้วยท่านทําดีท่านได้รับความสุขความเจริญด้วย ด้วยตัวกันท่านเองก็อด่นไม่ต้องพลอยหรอกแต่ว่าในแง่สังคมนั้นพลอยในแง่สังคมนี่นพลอยแน่นอนแต่จริงๆแล้วไม่ได้พลอยเพียงแต่ว่าเกิดปีติเกิดชื่นชมเกิดเป็นสุขไม่ได้พลอยรับตัวตรงหรอกขึ้นอยู่กับความรู้สึกแต่นั้นเองเราจากโลกนี้ไปด้วยกรรมก็รอกเพราะว่าผู้เจ้าึงทรงแสดงว่าสัตว์โลกมันเป็นไปตามกรรม ทีนี้จากจากลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่าความเชื่อของกรรมนี่ต่ำทำให้ไม่สามารถสลายวิจิกิิษาซึ่งซึ่เราหามาใส่เขาเองนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยตรงนี้จริงจึงจึง จ, ง, จ, ง, จงยันกันไปยันกันมาหมายความถ้าความเชื่อของกฎของกรรมแข็งแรงพอแล้วก็จบวิจิกิษาจะจะไม่มีอย่างน้อยระดับก ร, รม เพราะอะเพราะว่าความเชื่อของกรรมนั้นเป็นศรัทธาด้วยแล้วก็เป็นปัญญาด้วยนะฮะบางอย่างก็เป็นปัญญาบางระดับนี่มันเป็นปัญญาแต่ว่าอิงนะอิงระหว่างศรัทธากับปัญญาอย่างกรรมสักตายาเนี่ยเป็นปัญญาแล้วเป็นปัญญาแล้วแต่ว่าผู้เจ้าทรงแสดงเรื่องกรรมเป็นเรื่องของปัญญาแล้วไม่ใช่เรื่องศรัทธาแล้วแต่ว่าเรานั้นเราก็มีทั้งสองอย่างนะทั้งทั้งทั้งศรัทธากับทั้งทั้งปัญญาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทรงตรวจสอบ ทรงสอในตรวจสอบดูแล้วถ้าเห็นว่ามันมีปัญหาก็พยายามลดพยายามละพยายามบัด calar อย่างน้อยพยายามสงบในกรณีนี้ควรสงบอะไรไม่ไม่ไม่ใช่ลดสงบรวดเดียวทั้งหมดอนะฮะที่จริงกิเลสมันเกิดได้ทีละอย่างแต่นั้นเองกิเลสมันเกิดได้ทีละอย่างมันก็บธรรมะเกิดได้ทีละอย่างมันจะเกิดมาเต็มที่ทั้งห้าข้ออย่างนั้นเราก็ตายหมดมันเกิดได้ทีละอย่างเพียงแต่ว่าอะไรเกิดเกิดอยู่นานไหม เกิบางทีก็ตกเป็นตะกรันใจยอยู่นานเก็บไว้เยอะเลยจนเว้นกัดกลุ่มรุมร้อนกันโดยประการต่างๆเพราะงั้นทรงสอนให้มองเห็นโทษแล้วก็ดูจิตแต่สิ่งเหล่าเนี้ยเป็นโทษเป็นนิวรณ์เป็ น, นปสิ่งกั้นจิตเอาไว้ไม่เราบรรลุความดีได้พอสงบตรงนี้แล้วทํำยังไงก็คลองเรือนนะก็มาพูดเรื่องคลองเรือนอีกว่าเมื่อ ประกอบสมาชิกได้ทรัพย์สินเงินทองมาแล้วเราก็ต้องทําเรื่องสี่เรื่องให้ได้เลยแต่เรื่องสี่เรื่องอีกก็คืออะไรก็คือว่าเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวนะองศากนาญาติที่ตัวเองครับแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องมีการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ญาตพิพี่น้องของตัวเองนะแล้วก็ทําพีกรรม ปุูพีกรรมทั้งหลายเป็นไรล่ะฮะเป็น อ, นอยติพรีสงพราะญาติตอนรับแขกเสียภาษเีเทวตาพรีนะทำบุญที่กุศลนัน่นเทวดาเป็นการสร้างกัลยาณนะิตสร้างความเป็นมิตรเพิ่มพูนบุญกุศลของตัวเองแนวตรงนี้แนวหนึ่งเนี่ยทรงสอนทรงสอนอะไรว่าให้กู้ ให้กู้ใช้นี่ให้กู้ใช้นี่แล้วก็ทิ้งลงเหวแล้วฝังไว้อันนี้แนวหนึง่งให้กู้ก็คือว่าสงเคราะห์ อ, อนุชนสงเคราะห์ อ, อนุชนโดยความรู้สึกว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราเลี้ยงท่านต่อเพราะงั้นเราเราเร า, เราให้เราเลี้ยงดูอนุชนเนี่ยลูกหลานเลีเลย้ยงอะไก็เหมือนให้ให้กูก้ไปเขาใช้โดยไม่ใช้ไม่รู้นะแต่ว่าคิดอีกระดับหนึ่งคิดอีกระดับนั แล้วแนวหนึ่งก็คือใช้นี่ได้แก่บุปการีการเลี้ยงดูเรามาเราก็ใช้นี่ใท่านก็เลี้ยงดูท่านอย่างหนึ่งก็ทิ้งลงเหวคือคือบริโภคส่วนตัวทิ้งลงเหวหายไปเกลี้ยงกินเท่าไหรก็ก็ไม่หายยากนะฮะนี่ก็เหมือนของทิ้งลงไปนี่อีอย่างหนึ่งก็คือฝังไว้ วังไว้ในดินก็คือเป็นต้นทุนเรียกว่านิธินะฮะเป็นกลุ่มทรัพย์คือุญที่จะเป็นสเสบียงเลี้ยงตัวในอกาสต่อไปเพราะั้นข้อที่สี่เนี่ยจึงทรงสแสดงว่าได้แก่ทาบุญอุชิตทาบุญถวายแก่สมณะชีพราหมผู้มีศีลตรงนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ได้มองกลับไปจุดเนี่ยจุดของพระสังฆคุณเลยนะหรือทำยังไงตรงนี้มันแกวงได้เกิน ว่าพระสงฆ์นั้นเราไม่จําเป็นนะ่ยพระสงฆ์ก็คือลูกชาวบ้านพระสงฆ์คือลูกชาวบ้านเราจะไปเล็งผลเลิศเปิดปุ๊บติดปั๊บสิมันไม่มีจริงหรอกพระในเมืองไทยในบวชมาร้อยรูปก็สึกไปเก้าสิบห้ารูปเก้าสิบเจ็ดรูปไปเท่าไปเหลือสักสามรูปก็บุญแล้วนะครับพระนี่อาตมาบวชเรียนที่สภาการษาเนี่ยนะฮะร้อยหกสิบรูปเนี่เรียนที่สภาการษาตัวนั้นพรรษากว่าพรรษาเยอะกันแล้วทางนั้นเนี่ยนะ ถามวาเวลานี <rude S 2> ้เหลือเท่าไหร่เหลือสองอะเหลือสองรูปฮะเป็นพระครูยุวสัมพันธ์องค์นา迦ตมาเห็นไมฮะร้อยหกสิบสัญญร้อยหกสิบก็เหลือสองกี่เปอร์เซ็นต์เห็นนะไม่ถึงหนึ่งเปอรเซ็นต์เ่ยไปเลยแล้วบวชที่ที่วัดกามตมาที่วัดต่างแขวงวัดเนี้ยในระยะ ประมาณเท่าไรสามสิบสี่สิบปีมาเนี้นะสี่สิบปีมาเนี้ยมีคนบวชเป็นพันพันนะคงไม่ถึงเงนะฮะแต่หลายรอยถามาเหลือสกี่รูปอ่ะเหลือไม่ถึงสิบเน้นนะฮะเหลือไม่ถึงสิบไอ้นี่คื อ, ค, อคือจริงจริงเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้สําเร็จอะไรอะนะฮะไม่ได้สําเร็จอะไรเป็นกบฏเพื่อฝึกปือแต่นั้นเองฝึกปือตัวเองแต่นั้นเอง ทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่สังคมเราก็เป็นอย่างนั้นแนะ่ๆกระที่บ้านโยมก็มีคนเคยบวชเคยศึกอยเห็นไหมฮะสังคมเราเป็นอย่างนั้นแหละเราก็อยู่กันมาอย่างงี้ตรงนั้นจะไปเร็งผลเลิออย่างนั้นแล้วพระนั้นท่านรับผิดชอบส่วนตัวของท่านปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรนั่นคือหน้าที่ของท่านท่านรับผิดชอบถ้าท่านไม่ปฏิบัติอย่างนั้นเราก็ไม่ถือว่าท่านอาหุนโยภาหุนโย เห็นหมฮะเราไม่ถือว่าท่านเป็นผู้ควรคำนับเป็นผู้ควรต้อนรับเป็นผู้ควรทําบุญเป็นผู้ควรประนมมือไหว้ไม่ใช่นาบุญของโลกเราก็เฉยแต่ไม่ใช่ด่าท่านเพราะด่าท่านแสดงว่าเราอาศัยความชั่วของท่านไปสร้างบาปให้แกเรามันไม่มันมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาก็เรื่องท่านรับยี่ซอกตัวท่านเองถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติต r งปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรท่านก็ควรแก่ห้าข้อข้างหลังเห็นไหมห้าข้อข้างหลังแล้วมันสืบเรื่องจากสี่ข้อแรก สมัยมาบวชใหม่ๆบวชพรรษาแรกนะมันมีโยมไปไปเถียงกับพระแกพูดประโยคหนึ่งออกมาชอบอากบอกโยมพูดถูกที่สุดแกบอกนี่ที่ผมไหวเนี่ยเพราะเห็นว่าผมเห็นว่าท่านเป็นพระนะพระโกรธฮะพระโกรธหาพยมดูหมิ่นบอกว่าท่านพูดถูกแล้วพูดถูกแล้วที่เขาไหวเนี่ยเพราะเขาเห็นว่าท่านเป็นพระถ้าเขาเห็นว่าไม่เห็นว่าท่านท่านเป็นพระเขาไม่จาเป็นต้องไหว มันเหมือนกับเราไปต่างประเทศนะฮะคือโยมจะคิดว่าโอ้ถ้าพระไปต่างประเทศแล้วแไม่ไม่มีอะมันจับค้นกระจุยเลยฮะพราะเราไปต่างประเทศคือเราแค่คนเข้าเมืองแต่นั้นเองเราไม่มีอาภิสิทธิ์อะไรเลยเรามีสิทธิ์ว่าอะไรครับเกาจะค้นก็จะอะไรอะไรก็ค้นไปก็วิวาะยังไงนะฮะไปเมืองจีนบางทีผู้หญิงค้นนะนะเราจะทํำยังไงเขาอะเราจะมีสิทธิ์อะไรเราก็รักษาที่ใจเราแต่นั้นเองรักษาที่ใจเราแต่นั้นเอง วินายว่าอย่าจิตกำหนัดตอนนั้นเองเข้าคนเข้าค้นไปแต่เราไม่มีสิทธิห้ามเขาได้เพราะเขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นอะไรเราเราคือคนเข้าเมืองเขาตอนนั้นเองนั่นคือความรู้สึกที่เรื่องเรื่องสำคัญที่สุดเนว่าต้องแยกให้ออกระหว่างตรงนี้ว่ามันไม่ใช่เป็นสากลแต่ว่าอย่าลืมว่าการมองแนวพุทธเนี่ยมันมองโดยเมตตา เพนั้นผเจ้าสอนเรื่องเมตตาไปเยอะไงเมตตากายกรร ม, มังโจีกรร ม, มังมนกกรรมังเมตตาทางกายทางวาจาทางใจก็มองเป็รูปองค์แทนองค์แทนองค์แพองค์ธรรมนะจะมองหเห็นสามระดับองค์แทนก็คือสัญลักษณ์สัญลักษณ์เหมือนไหว้หลวงพุทธรูปเราไม่ไหวอิดไหวปูนแต่เรานั่นคือสัญลักษณ์เป็นองค์แทนเป็นปฏิมาเป็นปฏิมา แล้วพอใจเราถึงที่จริงเราไหว้ตรงไหนก็ได้ไหว้ตรงไหนก็ได้นั่นคือองค์ธรรมแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่องค์แทนแล้วแต่ถ้าองคแทนต้องไปหาเลยไปไหว้หลวงพ่อโสธรก็ต้องไปเลยไปโสธรเลยนั่นคือองค์แทนแต่ององธรรมไม่ต้ององค์แท้ก็คือองค์องค์ท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติตมทุกข์เน้นไหมพอถึงองค์ธรรมก็คือปัญญาบริสุทธิ์กรุณนามีไม่มีท่านท่านมีก็เป็นเรื่องของท่าน เรื่องของท่านท่านรับผิด ช, ชอบท่านก็นตกนรกเองนท่านนั้นคือคือคือเรื่องการมองเพราะงั้นปัญหาเรื่องเรื่องพระราตทานใจเนี่ยของของต้องคุยกันอีกเยอะนะพระราชทานใจเอามายังยังมองว่าสังคมผู้เราอ่อนความเข้าใจในพระราชทตรยัยแล้วก็สับสนในภาระสับสนในภาระหน้าที่ของตัวเองนะไม่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกส่วนหนึ่งอะ่ะ ซึ่งซึ่งคงจะต้องทำความกระจอีกเยอะแต่ถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะเดินไปได้โดยโดยไม่ไม่มีความสับสนหมายความว่าเรารับผิด ช, ชอบเฉพาะส่วนของเราตอนนั้นในในข้อนี้ทรงสอนในข้อต่อไปเจะเห็นว่าถาวายทักษิณาทานแก่สมณะพรามผู้มีศีล น, นั่นคืออะไรก็ ค, คือแนวฝังแนวฝังเมื่อกี้เนี่ยแต่พูดถึงเฉพาะผู้มีศีลน ทีนี้ถ้าถามมาทำมาปฏิบัติไม่มีศีลให้ได้ไหมก็ได้นะฮะตัวได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรานะั้ น, นมีกุศลลเจตนามีกุศลเจตนาแล้วพระเจ้าจึงทรงสแสดงว่าแม้แต่เราเทน้ําลงไปในในแอ่งน้ําที่สัตว์อาศัยอยู่เนี่ยก็ได้บุญแล้วก็ได้บุญแล้วให้แก่สัตว์ดิเรกชนก็เป็นบุญให้แก่ คนทุศีลก็เป็นบุญแต่มันเป็นหยาบกลางละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆสุดยอดก็คือที่ เ, เรียกอุปโตสุ์มีหลวงพุทธเจ้าเป็นประมุขอันนี้อันนี้เราเราไม่เจอเราไม่มีโอกาสเจอหรอกแต่ในขณะเดียวกันตั้งการแสดงสัมมาทาคุณสี่เอาไว้ที่เคยพูดเนี่ยสัมมาทาคุณสี่หมายความว่าวัตถุที่เราได้มาเนี่ยวัตถุคือตัวผู้รับนะฮะวัตถุคือตัวผู้รับเป็นคนเป็นพระ อริยบุคคลระดับพระอนาคามีอันนี้ก็ยุ่งเละหายากอีกหละนะปัจจยสำมัทาสิ่งที่เราได้มานั้นบริสุทธิ์ถูกต้องเป็นธรรมเจตนาเราดีแล้วก็ท่านพระอนาคามีนั้นเพิ่งออกแกนิโรธสมาบัติพระอนาคามีพระอาหารหนะันต์นั้นอันนี้อีกก็อีกอะ่ะหายากอีกอะ่ะเพราะในสมัยพุทธกาลเองก็มีคนเคยเจอเพียงหกครั้งนะพระอาหารหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดพระพุทธเจ้าก็อยู่ ปรากฏว่าคนที่ได้ทำบุญคร้อมสี่อย่างนี่มีอยู่หกขั้นแต่นั่นเองอเหนะ็นไฮะนี้คือคือคือปัญหาสำคัญว่าการทำบุญเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ต้องการบุญผู้ต้องการบุญจึงอย่างน้อยที่สุดก็อย่าทำบาสงดเว้นบาปเอาไว้ตรงนี้ทรงสอนในแนวของการทำบุญแต่ให้เลือกทักษินาฐานนะเป็นการปฏิบัติในแนวอะไรล่ะฮะ นี่กเอาแนวของอุบาสครัตนาะอุบาสิการัตนะหมายความว่าเป็นอุบาสกแก้วบาสิกาแก้วที่ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาแสวงหาเขตบุญในพระพุทธศา ส, ส, สนาเท่านั้นตรงนี้เท่านท่านหลายลองสังเกตคล้ายๆกันเยอะนะธรรมะเยอะเลยเกิดมีอะไรล่ะมีสิ่งที่เราปรารถนาสี่อย่างมีสัมรา h a คุณสี่ นะมีเห็นโทษของนิวรณ์้าพร้อมด้วยอภิชาอภิชาก็คือกรรมฉันนะนะฮะแล้วก็การไป็พวกใช้สอยทรัพย์สมบัติโดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยนะโดยหลักจริงๆแล้วเป็นการกระจายผลของการใช้คุณธรรมสี่ประการแล้วในคุณธรรมสี่ประการนั่นเองนะฮะถ้าเรามองอีกทีหนึ่งก็คือคุณธรรมเพียงสองประการ ก็คือศรัทธากับปัญญาศรัทธากับปัญญาแล้วบางทีในเราจะพูดแค่ศรัทธาจะพูดแค่ศรัทธาเท่านั้นศรัทธากับศีลเท่านั้นอย่างตัวอย่างท่านจิตตะคือหักบดุดีที่เคยเทศเมื่อสองสามวันที่ที่แล้วนะครจิตตะคือหักบุญดีนะพระเจ้าทรงแสดงว่าสัตสโทสีเลนะสัมปันโน เจโซโภกะสะมัปิโตยังยังปเดสังพัจติตถาเตวะภูจิตโตเพราะบุคคลใดสมบูรณ์ด้วยสัทธาและศีลเขาไปในสถานที่ใดๆอ้าย่อมย่อมเจริญด้วยทรัพยศชื่นศีลเขาไปในสถานที่ใดจะรับการยอมรับยกจ่องจากคนในสถานที่นั้นเห็นไหมท้ายคำวมาศรัทธากับศีลเท่านั้นเองแต่ทีนี้ไอาการที่เรามีศรัทธานเนี่ย การที่เรามีศรัทธาท่านท่านทานั้งหลาย่เห็นว่าพอศรัทธาปั๊บเนี่ยอย่างน้อยในคนที่เราศรัทธาเราไม่มีการมิจฉเห็นนะฮะคนที่เรามีศรัทธาเราไม่มีพยาบาทคนที่เรามีศรัทธาเนี่ยเราไม่คิดฟุ้งซ่านคนที่เรามีศรัทธาเราไม่เครือบแคลงสงสัยมันไปเองมันไปเองไม่ต้องพูดนิวรห้าดีว่าเนี่ยไม่ต้องพูดอะ่ะมันไปเองมันมันหายไปเองโ ด, ย, งดยธรรมชาติของมันหรือศีล ศีนก็เหมือนกันนะนะศีนหมายความมาถ้าเราถึงจุดถึงจุดที่เรียกว่าตั้งมั่นในศีนลหรือมีศีนเนี่ยกามชันถึงจะมีก็ไม่ถึงกับไปไปอยากได้ไปล่วงละเมิดอะไรเขาหรือพยาบาทถึงแม้จะมีก็ไม่ถึงก็ผิดศีลเห็นไหมมันก็คุมไว้ลดคว า, ามรุนแรงของกิเลสอยู่ในตัวแล้วโดยธรรมชาติเพราะงั้นตรงนี้จงเป็นการกระจายให้ดู กระจายให้ดูว่าถ้าเราจับธรรมะตรงนี้ไว้ได้นะวิธีชีวิตการดำรงชีวิตของคุณในปัจจุบันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นะแล้วก็ในโอกาสต่อไปจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งหมายความว่าเป็นการสร้างประโยชน์สุขทางระดับชีวิตปัจจุบันจะเรียกว่ามนุษย์สมบัติแล้วก็สวรรค์สมบัติจนถึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยนะฮะเพราะว่าเราพูดถึงถึงนิวรณ์อด้วย อุบัติไสปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานดังนั้นเมื่อหาธรรมะอย่าไปติดใจจํานวนอย่าไปคิดถึงจํานวนถ้าเราลองสังเกตดูว่าพระสูตรที่บรรยายมามาว่าหลายร้อยหลายร้อยสูตรแนะนะมันก็อยู่ในแวดวงตรงนี้ครูเจ้าทรงแสดงไว้อยังไงเราก็นํามาธิบายอย่างนั้นตามที่ทรงแสดงเอาไว้ซ้ำก็ซ้ํำ嘛นะฮะซ้ำก็ซ้ําเพราะละาักษณะซ้ํานี่ธรรมชาติเลยต้องซ้ํา เพราะจริงๆแล้วกิเลสเราก็มีแค่สามกอง น, นะธรรมะเราก็มีแค่สามหรือศีลสมาธิปัญญาหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ก, กิเลสก็มีแค่โลภโลกรธหลงเท่านเองพูดไปพูดมามก็เท่านั้นนะฮะที่รวมบรรณปิธรรมว่าจิตเจตสิกรูกนิพพานก็คือกันนี่ยนะก็คือกัรเป็นการสรุปรวมทั้งหมดไว้ในที่เดียวกันว่าจิตเจตสิกลูปนิพพานปัญหาสําคัญในการ ปฏิบัติธรรมะอย purpose, ่างในกรณีของศรัทธาที่ว่าเนี่ยศรัทธาอย่าลืมว่าคือธรรมะทุกข้อพูดง่ายว่าธรรมะทุกข้อนะธรรมะทุกข้อมัก็ก็ได้กระตามันกขจัดได้ทั้งโลดทั้งโกรธทั้งหลงแต่ขจัดอะไรโดยตรงกันขจัดอะไรโดยอ้อมนะเช่นสมมุติว่าตรงเนี้ยคนตรงเนี้ยเราคนคนนี้เราเราเมตตาเขามากแสดงว่าเมตตาเนี่ยเมตตาเนี่ยไปขจัดอะไร สำหรับคนที่เราเมตตาเราให้เขาได้แสดงเมตตาขาจัดโลภะเห็นไหมฮะกับคนที่เราเมตตาเราไม่หวงเราไม่จะได้คนนี้เราเมตตาเขามากบางทีเข ก, ก้าวร้าวรุนแรงจับจุ้มเราก็อภัยกับเราไม่โกรธเห็นไหมเมตตาขาจัดโทสะได้แล้วการที่เราขาจัดโลภะได้โทสะไดออ้คนนี้มันก็เด็ก คน น, นลลนคนนี้ก็ลูกหลานคนนี้แกเป็นอย่างนั้นแหละต่างก็เสร็จเห็นไหมแสดงเรามีปัญญาเรามีปัญญาเราเร า, เราคิดคิดได้ก็แสดงว่าขจัดโมหะได้นี่พูดถึงเมตต า, เ, าเราเอามากลับมาที่ศรัทธาดูอีกศรัทธาจะมีลักษณะอย่างไรแต่ศรัทธานั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวถ้าปล่อยเดียวนะถ้าปล่อยเดียวนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัว ถ้านึกถึงศรัทธาที่ไหนนึกถึงศรัทธาใกล้ๆสามประมาณสักสิบกว่าปีไปเนี้เราจะเห็นว่าศรัทธาที่แรงเนี่ยสามจุดใหญ่งอันตรายมากศรัทธาหนึ่งก็คือจิมโจนที่กาญยาเป็นลทัทธิใหม่หัวหน้าชื่อจิมโจนแล้วก็ถูกบีบคั้นจารัฐบาลเนี่ยค่มู่คุกคามเรื่อยกันหนีไปอยู่กาญยาสละตัวเองควรยาพิษกินกันเป็นกระทะเลย นั่งล้อมวงกินยาพี่ตายหมด น, นั่นคือศรัทธาศรัทธาจงมีลักษณะเหมือนคล้ายๆราคกธหมายความพลาดรักเลยอย่าแตะนะคนในฉันรักเลยอย่าแตะคนในสันตตาแตะไม่ได้นะนั่นคือลักษณะศรัทธ า, าที่ไม่มีปัญญาต่อมาเมื่อสองปีที่แล้วนึกออกนะฮะที่แท็กซัสเห็นไหมล้อมยิงตำรวดต้องยิงใช้รถถังขับเข้าไปทําลายเขาเป็นกลุ่มคณะ ศรัทธานะฮนะศรัทธากขัธานลทของเขานั่นคือเรื่องศรัทธาทีนี้ศรัทธาบางอย่างเนี่ย ม, มันลดสถานาการณ์ได้เยน่ก็ออกไาที่เมกะพวะอิสลามที่ถูกอุมโมงถล่มทับสามพันกว่าคนตายสามพันกว่าคนไม่มีใครเสียใจดีใจกันมากที่ญาติพี่น้องตาย เพราะเลยพราะกาษัตริย์ซาอุบอกว่าเนี่ยพระเจ้ามารับคนเหล่านี้ไปอยู่ร่วมกับพระโองค์โอ้มันมันสุขมากเลยนะเห็นไหมนั่นคือศรัทธาเป็นพลังศรัทธาเขาเชื่อเขาอย่างนั้นก็เชื่อเขาอย่างนั้นไม่ไม่ได้ใช้ปัญญานี่ยแต่ว่าจุดที่เชื่อเนี่ยมั น, ม, นมันเกิดมั่นคงนั่นคงขึ้นมาทําให้เขาแทนที่จะเสียดายญาติพี่น้องตายต่างคนต่างปรดีใจโอ้พระเจ้ามารับเขาไปแล้ว พะเจมารับก็ไปอยู่ร่วมกับพระองค์เพราะนั้นคือสุดยอดของชีวิตในศาสนาอิสลามคือการอยู่ร่วมกับพร ะ, พระอานรคิดก็เหมือนกันนะฮะการไปอยู่กับพระเยซูอยู่ยังไงก็ว่าในรายละเอียดของเขาแต่นั่นก็คือว่าการตายอย่างนี้เป็นจุดสุดยอดของเขาแล้วนะเขาก็ไปได้แต่ทีนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยที่เรามีปัญหาก็คือศรัทธาเวลาแกดิง่งแกดิ่งไปมากจนไม่ยอมรับรู้เหตุผล หนห้หัวปากหัวปั๊มคล้ายๆายกับตายอยู่กับตรงเนี้ยตายอยู่ตรงเนี้ยแนวอะไรฮะแนวของสันชัยที่คือลาครับเห็นไหมฮะสันชัยแกศรัทธาตัวเนี้ยแกเชื่อแกตัวเนี้ยไม่ไม่ยอมไปภาษาที่บุตรไปก็ไม่ยอมมุกลานะไปก็ไม่ยอมอ่อนบอลก็ไปก็ไม่ยอมอยังไม่ไปแล้วผลท้ายท้ายท่านก็ตายอยู่ตรงนั้นนั่นคือลักษณะที่เป็นอันตราย เพราะงัาศาสนาพุทธเนี่ยเราจึงสอนศรัทธาที่มีปัญญาและศรัทธานั้นจะต้องไปจับไว้ที่พระพุทธเจ้าอย่าไปจับที่คนอย่าไปจับที่พระสงฆ์อย่าไปจับที่ใครนะเพราะพระสงฆ์เนี่ยยานที่รรมบอกอาตมาเ ป, เ, ปเป็นเป็นเป็นกรรมการทําหลักสูตรกรมมิชาการ น, น, นะครับเมื่อก่อนเน่ยเขาจะเสนอเนี่ยประวัติเนี่ยท่านท่นทนทนพระดังๆเนี่ยพระอะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งหลายเนี่ยขึ้นมาให้เด็กเรียนอาตมาค้านนะ มาไม่ให้เรียนเราไม่เอาให้ตายก่อนก็อเอามาเรียนปุถุชนนี่ไม่ได้นะแหว่งปุถุช น, นเอามาเรียนไม่ได้ถ้าเรียนแล้วชื่นชมเด็กกำลังชื่นชมดีๆแล้วปุถุชนคนนั้นเกิดมีปัญหามาเด็กช็อกนะเด็กช็อกเลยโอ้นี่หรือคนที่เขาว่าดีเป็นอย่างนี้และตายเลยกว่าจะรู้ฟื้นสภาพจิตขึ้นมาได้ทํากันอีกนานเพราะฉะั้นต้องเอาคนตายมาเรียนเขาไม่เรียนคนเป็นต้องเรียนคนตายแล้ว เอาประวัติของเขามาศึกษามีผลงานแล้วแน่นอนนะเขาไม่เปลี่ยนคนที่ตายแล้วเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนนะเราก็นํามาศึกษาด้วยความชื่นชมได้นะฮะแต่หมายความว่าต้องเอาจริงๆมานะฮะไม่ใช่อวันหลกเรารวมเด็กดขึ้นมาเพราะงั้นศรัทธาจึงไปให้ลองสังเกตว่าพระเจ้าไม่จับพระอระหันต์ต่างๆเองแสดงธรรมะไม่ใช่ตัวเองเป็นฐาน ใพระพุทธเจ้าเป็นฐานพระอราหันต์อ้างพระพุทธเจ้านะะไม่ได้เทศ อ, อย่างอย่างยาติเทศเทศกันของคนบางคนเทศใล้ๆธรรมะของตัวเองไม่ะพระอราหันต์ท่านอ้างพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งไว้อย่างนี้พระเจ้ารับสั่งไว้เอวเมยสุตังนี่แปลว่าไงหรือว่าที่ประศูนย์เกิขึ้นเอวเมสุดตังข้าพระเจ้าคือพระอานนเถระอันนี้วงเล็บนะฮะข้าพรเจ้าในที่นี้คืออาณนเีระ ได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่นั้นทนี่นั่นท่นนั้นแล้วก็แสดงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ว่าเองพระอาจารทั้งหลายไม่ว่าเองเพื่ออะไรเพื่อให้คนไปจับอยู่ที่พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวเลยนะหมายความขณะที่ดํารงพระชนก็ไม่มีคางแกวง่งนะแล้วก็พระคุณยิ่งไม่แกว่งใหญนะ่พระคุณก็ดํารงอยู่เราก็ดูได้ดังนั้นจึ ง, จง ศรัทธาจึงต้องต้องจับตรงนั้นไม่ใช่จับแหว่งจับอาจารย์นั้นอาจารย์นี้อาจารย์โน้นอาจารย์นี้นาานบางทีโยมเข้าใจนะเช่นว่าอธิบายธรรมะเนี่ยธรรมะนี่มันเป็นสภาวธรรมเช่นสมมติอามาเทสเทสบางทีโยมเข้ามาในที่บางแห่งเราไปโยมโอ้โแมท่านท่านรู้ใจตรงกระจายดีถันจริงๆคล้ายๆเรามียาดจริงไหมฮะไม่ใช่ยานฮะธรรมะมันเป็นอย่างนั้น สภาววะทำมันเป็นอย่างนั้นเราอธิบายตามสภาววะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็ไม่ตรงกันทุกคนเนี่ยนะตรงกันทุกคนนะมันก็คงเนี่ยแจ้งความโกรธเกิดจากความโกรธความโกรธเกดิดจากความรักความรักเกิดจากความโกรธความรักเกิดจากความรักเนี่ยพระพุทธเจ้าสแสดงแล้วเราก็ดูได้ดูได้พวกอธิบายเข้าเองนึกว่ารู้ใจนะรู้ใจที่จริงไม่นะไม่ใช่เรื่องรู้ใจแต่เราเข้าใจธรรมะ เรานำมาถ่ายทอดให้ฟังว่าเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงว่าอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเราจับตรงนี้ได้ศรัทธาเดี่ยวี้จะไปเกาะติดอยู่ที่ตัวคนเดี๋วก็มองคนมองพระเนี่ยพระเป็นกัลยาณมิตรนั้นเองไงนะะพระเป็นกัลยาณมิตรเท่านั้นไม่ใช่ว่าพระเป็นศาสดาพระคือกัลยาณมิตรนะจริงๆแล้วอาตมายังมองยังคุยกันในหมู่พวกพระเราเอาตมาว่าพระบางอย่างคิดไดะ ค, คือวางมาศใหญ่เกินไปวางมาศใหญ่เกินไปหน่อยนั่งอะไรเต่อจริงๆไม่นะฮะแต่ว่าเวลาแสดงธรรมเนี่ยเขต้องนั่งสูงเพราะทําหน้าที่ถ่ายพอดธรรมเห็นไหมฮะเคารพธรรมเนี่ยต้องนั่งสูงอาัศนาะสูงกว่าคนคนแสดงระยาปกติมันก็ไม่มีอะยความว่าเพียงแต่วินัยห้ามนั่งอัศนะเดียวกับผู้หญิงนะเราก็มีอัศนะนั่งอะไรก็จบแต่ไม่ได้มายความนั่งอยู่สูงอะไรต่อไห คืยังคุยกันในในใ น, ในหมู่พวกพระเนี่ยแต่ว่าเราก็คนรุ่นหลังนะครไปแก้ไขอะไรไม่ได้เนม่ยมันไม่จริงมันไม่มีในพระวินัยมิดกเนี่ยตรงนี้มันมันสร้างกันขึ้นเองคล้ายๆกับเป็นเป็นบ ป, ป็นชนชั้นอีกชั้นหนึ่งมานะว่ามันเป็นกระแสสังคมที่เป็นการต่อสู้กันมาตลอดแล้วว่าต้องการที่จะให้ได้สถานะในสังคมเนะี่ยได้สาแม้สมรสาเองเนี่เราจะเห็นหนึ่งร่องรอยการต่อสู้ สมาร์ทโฟนเนี่ยมาจากการร่องรอยการต่ อ, อ, อ, ตอสู้ต้องการชิงความเป็นหนึ่งแล้วใครจะจะเป็นเป็นหนึ่งนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากษัตริย์กษัตรศาสนาเนี่สู้มาตลอดตลอดประวัติศาสต ร, ร์ของโลกเนี่ยผู้ภ่ายปกครองกับายาศาสนานี่ตอ่อสู้กันมาตลอดชิงความชิงการนำสังคมชิงการนำสังคมกันมาตลอดได้ไหมวาติการเนี่ยก็ไม่ย่อน ปฏิกันต่อสู้กันมาจนถึงที่จะแต่งงานต้องขออนุญาตฉันก่อนนะจะเป็นพระชาฉันต้องสวมหมวกให้นะสมมวมมงกุฎให้นะนาโปลียนยั่วขึ้นมาเลยสวมเองเลยนะอันนี้ก็คือคือเราเราเห็นว่าร่องรอยการต่อสู้แล้วก็ทําให้ปรับสถานะตัวเองจนบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่วิถีไม่ใช่วิถีแบบแบบของพระพุทธเจ้านะวิถีแบบของพระเจ้าแบบแบบแบบแบบของพระเจ้ามันแบบง่ายมาก อ่างว่าญาติโยมนั่งกันอยู่พระเดินไปโยมนิมนต์ก็อัศนะมีผืนหนึ่งก็นั่งคุยกันคุยกันคุยธรรมะกันแล้วบางทีเราเห็ น, นได้ชัดว่านั่งกันบนคันนานั่ยแหละเห็นคันนานั่นแหละเป็นนั่งคุยกับพรามไถนาผู้จ้าก็เสด็จไปก็นั่งตรงไหนก็นั่งกันที่คันนาไม่วิธี่นั่งบางทีนายพรานเบ็ดอริยะนั่งตกเบ็ดอยู่ผู้จ้าก็ไปนั่งคุยกับเขาก็ตกเบ็ดไปผูเจ้าก็นั่งคุยเข้าไป ภาพมันมันมันอบูนนะฮะภาพมันอบุ่นภาพของกัลยาณมิตรไม่ใช่ภาพของผู้ยิ่งใหญ่พระไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่อะไรพระก็คือคนคนหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะเขาเป็นกันลยาณมิตรทีนี้ถ้าถ้าถ้าเราทำเราลงมองสูงเกินไปนะฮะพอว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเลยช็อกเลยพิดหวังรเลยที่จริงเราเราไปคิดเราเองเราไปคาดหวังเราเองคาดหวังเอาเองนะฮะพระก็คือกัลยาณมิตรพระก็คือผู้ตบริษัท เห็นไหมฮะพิ ส, สุนิวปสุปจิกนะาก็บริษัต์เดียวกันบริษั์เดียวกันยิ่งแต่ว่าเคารพนับถือกันตามสถานะหมายความว่าโดยโครงสร้างของความเป็นพุทธบริษัทพระบุคคลแม้จะเป็นชาวบ้านแม้จะเป็นพระอนาคามีท่านก็ต้องให้ความเคารพแก่พระภิกษุกสามเณรแม้บวชในวันนั้นนั่นคือสภาจิงของท่านองค์นี้เป็นองค์แทนนะองค์แทนมรรตนาตรัยนะท่านาองค์นี้องค์แทนมรรตนาตรัตรย แต่ท่านไม่ได้คิดว่าท่านเป็นพระอรหันนะฮะไม่ได้คิดว่าพระเนรเป็นพระอรหันสูงกว่าท่านโดยโดยคุณธรรมแต่สูงกว่าโดยเพศโดยเพศเนี่ยองนี้เป็นองค์แทนองแทนพระอรหันเป็นสัญลักษณ์ถ้าเราจับตรงนี้ได้ท่านเห็นว่าศรัทธาเองมันก็จัดโลภได้เห็นไหมฮะเราคนไหนที่เราศรัทธาเราก็ให้ได้อะไรที่เราศรัทธาเราก็ให้ได้ศรัทธาเองก็จัดโทสะคนที่เราศรัทธาด่าว่าอะไรเราเราก็เหมือนก็ให้พรเรา เราซ oh um, ึ pues. nope ่เป็นสุขที่ท่านได้ด่านะเห็นไ้มแสดงว่าเราขจัดโทสะได้และขจัดระดาขจัดโมหะได้เห็นว่าท่านควรแก่การเชื่อถือเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดจึงขจัดโลภะโทสะโมหะแต่ที่นํามาแสดงโดยอเนกกรปริยายกณฑ์ญาต่างๆหมายความว่าถ้าเธอมีศรัทธามีปัญญาหรือมีศรัทธามีศีลก็ตามนะฮะมีศรัทธาปัญญาหรือศรัทธาศีลก็ตามก็มีทั้งสองแห่งแสดงไว้นะ ไอ้พวกจากข้ามันมาเองไงนะฮะจากข้ามาเองหรือมีศรัทธาแศีลก็มาเองนะหรือมีปัญญาแล้วศรัทธาศีลก็มาเองเพียงแต่ว่าให้จับให้ได้สักหลักหนึ่งนอกจากนั้นไอ้ที่ว่าทั้งหมดว่าไว้ทีละสี่สีั้งหลายสี่นะฮะมันก็เดินไปด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาหรือใช้อย่างวิชีวิตอย่างมีศรัทธาแต่แล้วแต่นะฮะแต่หมายความถ้าศรัทธาก็ปัญญากำกับถ้าปัญญาก็ต้องมีสรัทานุ ก็เป็นเส้นทางของชีวิตที่อำนวยประโยชส์สุขทั้งในปัจจุบันเห็นไหมข้อที่สี่ตอนต้นในท่านว่าเนี่ยตายไปแล้วไปบังเกิดในสุกติตายไปแล้วไปบังเกิดในสุตตกสติก็ว่าไว้ทั้งสองแห่งสองแห่งคือแห่งที่ตอนทักษิณาทานสร้างทางสวรรค์นะข้อสุดท้ายข้อสี่ในสี่ข้อสุดท้ายนะฮะก็พูดถึงว่าเป็นการทาบุญเพื่อสร้างทางของสวรรค์เอาไว้ หมายความว่าอำนวยประโยชน์สุขทางในทั้งในปัจจุบันด้วยแล้วก็ทั้งในในภายภาคหน้าโดยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมะวิถีชีวิตเป็นหลักสูตรนะที่ยิงอยู่ในฐานันตีทั้งหมดเนี่ยองธรรมดิว่าทั้งหมดอยู่ในรรมนันตรีข้างหลังเนี่ะหนังสือโนกวุวาดข้างหลังเป็นสูตรสมมําเร็จที่หมายความแสดงที่ไหนก็แสดงอย่างเงี้ยสี่ข้อกับสี่ข้อเนี้ยสี่ข้อกับสี่ข้อเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เพิ่มนะไม่ได้เพิ่มมันเ อย่างว่าสิ่งที่บุคคลปรารถนาสมปรารถนาได้ยากให้ได้ทรัพย์มาในทางในชอบธรรมสมบุญโดยยศนะแล้วก็อายุยืนนะฮะไม่มีโรคภยัยไขเจ็บเปลี่ยนเป็นตายบังเกิดในตำหนักก็สี่ข้อตอนนี้ยพูดเมื่อไหร่ก็สข้อท่า น, นี้เองไม่มีข้อที่ห้าเป็นซึ่งซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่แปลกปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะถ้าถามว่าสี่ข้อนี้พอไม่พออยู่เหมือนเดิม <laughs> พออยู่เหมือนเดิมเพราะปล อ, อกขอบข่ายที่ทรงอธิบายไว้เนี่มันคลุมอะไรไว้เยอะแล้วอันนี้ก็เป็นปัตตะกรรมมาสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการกระทําที่อํานวยผลให้นะหมายความจะอํานวยผลให้ก็ต้องอาศัยการกระทําแต่ใครกระทําผลเมื่อจะเกิดขึ้นตามที่ทรงแสดงไว้นะสมัยวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่า น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไพบูรในธรรม จังมีแต่ท่านประชาชหลายโดยทัวการทุกท่านเธอ